ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทายาลัยศรีปทุมกำลังนำเสนอพยะเพรวสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยความกลัวอคติเหตุแต่เกิดความกลัวเป็นคำกราบทูลของชานุโสรณีพราหม์มมือพระเจ้าเสด็จประทับอยู่ที่ประเชศตะวันกลายกรุงสาวัตถี แล้วรับรับสั่งเล่าถึงความคิดของพระองค์สมัยที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์อย่างไม่ได้สัจสรุปว่าเคยประจนกับความหวาดกลัวอาการขนพองเสีอยองกร a วในในป่าเมื่อตอนที่บำเพ็ญเพียรเพื่อแสวงหาทางสัจสรุปแล้วก็ทรงมองในลักษณะสืบสาว ว่าอะไรคือเหตุให้เกิดความกลัวล้วก็เริ่มมาโดยดำดับพูดง่ายๆว่ามีการกระทํามีการพูดมีการคิดที่ไม่บริสุทธิ์เนเน่จะเกิดความกลัวพระองค์ก็มาสูดสอบว่าพระองค์มีการกระทําการพูดการคิดอะไรที่ไม่บริสุทธิ์บ้างไหมก็ไม่ได้พบเห็น อาการเหล่านั้นก็เป็นเหตุให้ไม่สงหวาดกลัวไม่สะดุ้งและจากนั้นก็จะรับสั่งเล่าถึงกิเลสประเภทต่างๆที่ท่งตรวจสอบภายในพระไทยของพระองค์ก็สวดมาเรื่อยนะฮะจนมาถึงจุดหนึ่งก็มาถึงราคะมาพยาบาทมาธีนมิทธะซึ่งในงแง่ขององค์ธรรมจริงๆก็คือตรวจสอบที่นิวรห้าประการ เพียงแต่ว่าการมฉันแทนที่จะส่งใช้คาว่าการมฉันส่งใช้คำว่ามีความอยากได้มากมีราคะกล้าในกามทั้งหลายแล้วก็มีความมีจิตพยาบาทมีความนริตรในใจชั่วแล้วก็จากนั้นก็มาถีนมิทะ ซึ่งแนวของนิวรณห้าเนี่ยเป็นธรรมเทศนาที่ส่งแสดงมากเพราะว่ามันเป็นปริยุธิฐานกิเลสอย่างยกตัวอย่างในทีกนิจายศีลคันทวักเล่มแรกของพระจัยบิปดกล้ำดาแผงทางจะเดินไปได้เรื่อยจนถึงจุดหนึ่งก็จะเจอนิวรณทั้งหประกาศนิวรณ์เป็นกิเลสประเภทลบ ก, กดลงแต่เกิดขึ้นคลุมรุงใจ สงใช้คำว่นานิวรณ์แปลว่าสิ่งที่ห้ามหรือกัน้นขัดขวางจิตไม่ให้บรรลุความดีเกิดจาใดที่จิตมีนิวรณเข้าใดข้อหนึ่งอยู่เนี่ยก็แสดงข้ออื่นก็มีด้วยเพียงแต่ว่าอาการข้อใดเด่นในขณะนั้นก็เรียกนิวรณ์นั้นๆสุขุมามกิเลสประเภทความอยากได้มาก ราคากล้าในกามักุลทั้งหลายเนี่ย่าเป็นเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นจะต้องตามชดใช้อยู่ร่ำไปไม่เป็นอิสระแก่ตัวเองโดยสภาพของจิตจิตนั้นจะเหมือนกับน้ำที่เจือด้วยสีต่างๆ ให้ลองสังเกตว่าจิตที่ประกอบด้วยราคะประกอบด้วยความโลภอยากได้เนี่ยมันจะหาข้อยุติไม่ได้ใจจิตจับจิ ต, จตมันจะสายเช่นว่าเข้าไปในห้างร้านต่างๆอยากได้นั้นอยากได้นี้อยากได้นน้นจับบวางวางจับบวางวางจั บ, บจับวางวางเดินดูไปเรื่อยๆจับจับวางวางไปเรื่อยๆที่จับเนี่ยเพราะอยากได้ แต่วางเนี่ยเพราะว่ามันอาจจะมีอย่างอื่นดีกว่าแต่ในขณะเดียวกันเงินในกระเป๋านี่มันมีจํากัดแต่เงินไม่จํากัดนะฮะคนก็คงจะซื้อกันยุ่งไปหมดเลยก็แสดงว่ายังไงอย่างไางไมันก็มีสติเหนี่ยวรั้งจิตไว้แม่ลูกกับนาดแก่ความอยากที่บังเกิดขึ้นมากเกิดไปอาการของความพยาบาทเป็นกิเลสประเภทโทสะ ที่เคยพูดในส่วนของอุปกิเลสอุปกิเลสที่จริงก็ใกล้ๆนะแต่ว่ามันอยู่ลึกกว่าไม่วอนทังน้นเองแล้วก็ออกมาในรูปของการอาฆาตพยาบาทจองเวรจนถึงประทุษร้ายปนโดยสภาพของจิตในขณะนั้นจะเหมือนกับน้ำที่กำลังเดือดพร่าน แต่เรามองลงไปที่ภาชนะน้ำที่เดือดพล่านเงาหน้าก็เราจะไม่ชัดเจนค น, คนที่มีโทสะกลุ่มรุมใจเนี่ยเหตุผลสติปัญญาจะไม่ค่อยมีคือจะไม่ชัดเจนในในเหตุในผลในความถูกความควรเพราะนนจึงเป็นเหมือนกับคนที่ตกเป็นคือถูกโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนครอบงา รุนแรงประสบทุกเวทนาด้วยตัวเองไม่มีใครสามารถช่วยแบ่งเบาให้ได้ในข้อต่อไปรับสั่งถึงนุบก้อนอีกข้อหนึ่งโดยโครงสร้างเนี่ยจะใช้โครงสร้างเดียวกันทั้งหมดเปลี่ยนแต่ตัวประธานคือกิเลสก็เปลี่ยนไ ป, รน เ, เ, ป, น เ, ปนเรื่อย เราสังว่าดูก่อนพราหมณ์เหล่านั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสำนะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งอันทีนมิทะกลุ่มรุมแล้วเสพเสนาสะนาอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวสมนละสามพราหมณ์ผู้นั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความขาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนคือถูกถีน้นมิทะกลุ่มรำกลุ่มรุมในปันเหตุหมายความว่าความกลัวเนี่ย มันถูกกระตุน้นด้วยความง่วงเหงาหงนอนซึ่งซึม ง, งอยเงาหดผูกเครือบเครืจุดชื่ อ, ช, อชาเย็นเหนือหน่อยหน่ายท้อถอยผลสภาพจิตอย่างนี้มันจะเป็นเหมือนกับสระน้ำที่เจือด้วยจอกแหน่ยังตามชนบทเนี่ยในที่บางแห่งคนเดินทางนี่ไม่มีน้ำไ ป, ประเจอสระน้ำที่มีจอกแหน่ก็แหวก จอกแหน่ออกไปเพื่อจะดื่มน้ําที่สะอาดแต่ดูไม่ทันอิ่มฮะจอกแหนมันจะย้อนกลับมาปิดตรงนั้นเอาไว้บคนที่ถูกทีน้ำมิถาครอบงำเนี่ยง่วงเหงาหาวนอนซึ่งซึง่วงเหงาครอบงาเนี่ยความคิดจะไม่ปฏิติดประต่อการฟังจะไม่ปฏิติดประต่อการอ่านจะไม่ปฏิติประต่อการกระทาจะไม่ปฏิติดประต่ อ, ก, ร ก, รตตอก็หลับหลับตื่นตื่นฮนะ ความคิดก็จะขาดเป็นห่วงเป็นร่วงเป็นห่วงเป็นร่วงไปเร่ยเสร็จแล้วก็เชื่อมโยงกันไม่ได้แต่เชื่อมโยงก็กลายเป็นเรื่องจับแผะจนแกะไม่ได้เรื่องในราวอะไรตอโดยสภาพจิตของคนประเภทเนี้ยจะเหมือนกับคนที่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นไม่ใช่ตกเป็นหนี้เป็นสินคนอื่นนะฮะตกเป็นทาสของคนอื่นจะต้องถูกบังคับใช้ ขาดอิสรภาพในส่วนตัวเองเจ้านายก็ตามแต่เจ้านายจะสั่งคือตามแต่ความง่วงมันจะสั่งสูญเสียอิสรภาพเพื่อตัวเองวัฏฏิการของพระเจ้าก็คือพระองค์ก็ตรวจสอบพระองค์ดูว่าที่ตัวถีนวิทะในข้อนี้ถ้ากว่าเราได้ไปศึกษาในม้าสติปัฏฐานสูตรในตอนที่ว่าด้วยนิวารณประปะ โดยเจนลักษณะคำสอนเนี่ยเป็นไปในทับมองเดียวกันเพียงแต่ว่าสงให้รายละเอียดที่นั้นมากกว่ากระรับสังว่าส่วนเราหาถูกถีนมิทะรูมรวมแล้วเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าแบบป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ปราศจากถีนมิทะมันเหมือนกับตาลิยะทั้งหลายที่ที่ปราศจากถีนมิทะ เพราะในการหวาดกลัวสะดุ้งขนพองเสียงกล้าวของหลองสึษไม่มีจากนั้นก็ต้องมองไปที่อุทธจักกุฎ จ, จักความฟุ้งซ่านความรำคาญ ร, รับสังว่าดูกรพราหมณ์เหล่านั้นได้มีความตำริดังนี้ว่าสัปนานอพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึ่งฟุ้งซ่านมีจิตไม่สงบระ ง, งับเสพเสนาสะนะอันสงัดที่เป็นป่าเปียว และสำหรับรามผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวและความคลาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนทีนี้พระองค์เองก็ตรวจสอบพระองค์ก็ไม่เห็นอาการของอุทจักกุกุจะคือความฟุ้งซ่านใน ร, าร่างกาอาการของอุทจักกุกุจับางครั้งอุปมาสภาพจิตเนว่าเหมือนกับน้ำขุน แต่เราต้องการมองมองดูเงาหน้าของเรานี่จะไม่ชัดเจนที่น้ำขุนอีกอย่างหนึ่งก็เปรียบเหมือนกับคนที่เป็นนักโทษตกจองจำในสมัยโบราณในรุนแรงกว่าในสมัยปัจจุบันตกจองจำโดยโซ่โซนคือข่าด้วยประการต่างๆประสบความทุกข์ทรมานเป็นอันนอกันนั้น มันก็คิดท่านไปยังไงก็ตามนะฮะผลสุดท้ายตัวเองก็ถูกตรึงอยู่งั้นไม่สามารถที่จะสลัดให้หลุดได้เหมือนใครก็ตามถ้าสภาพจิตเป็นอย่างนั้นมันก็ต้องหวาดกลัวต้องสะดุง้งต้องเกิดอาการขนพองสยองกร้าวเพราะอะไรเพราะว่ามันมีอกุศลอยู่ในภายใน ถึงเราจะเห็นว่าโดยกล่าวโดยสรุปแล้วนี่เหตุแห่งความหวาดกลัวสะดุ้งทั้งหลายทั้งปวงในโลกของมนุษย์เนี่ยมันเกิดขึ้นจากทุจริตทางไตรทวารสรุปที่สุดนะฮะคือคือเกิดมาจากอากุศลอกุศลกรรมบททั้งสิบประกาศกายทุจริตวิจิตทุจริตมโนทุจริตก็ท่านั้นเนี่ยนะฮะเพียงแต่ว่าจะจำแนกแสดงยังไงเนี่ยเป็น อ, อีกเรื่องหนึ่ง ทีนี้แต่เราถามอาการเหล่านั้นเป็นอาการของไรมันเป็นอาการของสมุทัยาศัสตร์อยู่แล้วเพรสมุทัยาศัสตร์เป็นเอกะเกิดทุกอยู่แล้วเพราะภัยอันตรายความหวาดกลัวต่างๆก็คือทุกข์นะเป็นปกติธรรมดาเป็นสูตรเป็นสัจธรรมที่ไม่มีทางจะหลีกเลี่ยงได้เการวิเคราะห์ตรวจสอบเนี่ยไม่ได้ตรวจที่ข้างนอกจะตรวจข้างนอกก็เทียบเคียงแต่นั่นเอง มาปรับปรุงแก้ไขข้างในคือแก้ไขที่ตัวเองเพื่อพระองค์เมื่อตรวจสอบพระองค์ก็ไม่เห็นนะฮะไม่เห็นอุทธจักกูจะความฟุ้งซ่านความราคาญเหล่านั้นภายในพระไทยของพระองค์พระองค์ก็อยู่ในฐานะเช่นเดียวกับอริยะบุคคลทั้งหลายที่อยู่ในป่าอย่างจิตที่สงบประงับแล้วก็ ไม่มีอาการขนพองทรงใช้คาว่าผู้มีขนเรียบโดยยิ่งคือหมายความมาขนพองเสียงก้าวต่างๆเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นในประการต่อไปก็ไปพูดถึงวิจิจิตษาคือความเคลือบแครงสงสยัยต้องการลองสังเกตว่าคล้ายๆกับในตรกถาธรรมายาสูตรธรรมทายาสูตร แต่พอทรงโน้แสดงที่อุปกเล์ตรงนี้แสดงที่อกุศลข้ออื่นๆซึ่ง่าที่จริงก็เป็นพวกเดียวกันนะฮะโดยสภาวะแล้วก็เป็นเดียวกันวิจิตรศาคือความเคลือบแครงสงสัยเป็นโมหะเป็นกิเลสประเภทโมหะมันจะมีอาการเปล่งแรงเนี่ยคือไม่เชื่อเลย ลงลงมาลักษณะคลับคลายคลบ่าจึงกาดความสงสัยแล้วความสงสัยก็กระสายกระจายนะกระจายออกไปในพระพุทธเจ้าในพระธรรมในพระสงฆ์ในใจสิขาและในเรื่องอดีตเรื่องอนาคตทั้งอดีตและอนาคตในกฎของเหตุผลคือกฎของปัจกิรการ เมื่กอก่อนนั่งรถมาฟังรองศาสตราจารย์ท่านหนึ่งอธิบายการเปรูปราชการในสมัยที่สองแบบบูรณาการคือเอากุ่มงานชนิดเดียวกันซึ่งตามปกติมันกระจากระจายกันอยู่ในกระท ร, ะระวงต่างๆเลยนำมาไว้ในที่เดียวกันหมายความว่ามีหน่วยงานรับผิดชอบหน่วยเดียว แต่ก็ประสานเชื่อมโยงกับหน่วยงานเราอื่นยกตัวอย่างเช่นยางพาราอย่างนี้มันไปเชื่อมโยงกับดินเชื่อมโยงกับน้ำเชื่อมโยงกับสภาพแวดล้อมต่างๆเชื่อมโยงกับการตัดและการแปรรูปอะไรต่างๆมันมันมันขบวนการมันเยอะ ฟังฟังมาเออมันก็คือปัจจัยการนั่นเองคือแนวของปฏิจจสมบัตออิสิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้สิ่งนี้เป็นปัจจัยเกิดสิ่งนี้ที่จริงมันเชื่อมโยงกันอยู่ในธรรมชาติแต่ว่ามนุษย์ไปแยกมันเองกลายเป็นเกาะกลุ่มเป็นผลประโยชน์ที่เกาะกลุ่มกันเพราะเราจะเห็นว่า ไอ้พวกปลูกยางตัดยางเนี่ยมันจะจนแต่พวกที่รับซื้อยางนะฮะพวกซื้อยางพวกทำยางอะไรต่างๆก็จะรวยคล้ายๆกับข้าวนะฮะพวกโรงสีจะรวยนะพวกเกษตรกรตั้งแต่โน้นมาตั้งแต่ข้างล่างเลยแถวมาเนี่ยมจะจนเพราะว่ามันอยู่ร่วมกันในเรื่องเดียวกันแต่ว่าแย่งชิงผลประโยชน์ ในเรื่องนั้นแหละด้วยกันเจ้าหน้าก็เลยก็เป็นกระดูกสันหลังอย่างเงี้ยกระดูกสันหลังผุๆพูกเศรษฐีก็รวยกันคนรวยพวกะข้าวเนี่ยไม่ไม่เคยทํานานะไถนายังไม่เป็นเลยแต่รวยพวกะข้าวเพราะแนวกระบวนการตรงเนี้ยถ้าเรามองพวกกิเลสพวกนี้เราจะลองสังเกตนะความเ ค, ครือบแคลงสงสัยเนี่ย มันเป็นปัจจัยให้เกิดสงสัยในเรื่องอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับชีวิตของตังเวเองอย่างศาสนิกในศาสนาที่นับถือพระเจ้ามันก็สงสัยในพระเจ้าสงสัยในคําสอนของคำวเจ้าสงสัยใน่ผู้นําสืบศาสนาของพระเจ้าเพออนศาสนาอะไรที่จะมีเอกภาพเป็นหนึ่งเดียวเนี่ยมีไม่มีเลยในโลกเนี้ยเพราะว่าคนยังมีโมหะยังมีความสงสัย อย่ามีความไม่แน่ใจในสิ่งเหล่านั้นเพียงแต่ว่าศาสนาบางศาสนามันมีพากวิจารณ์ไม่ได้มีมาตรการปกป้องอย่างรุนแรงอย่างศาสนาบางศาสนาเขาก็วิพากษ์วิจารณ์ได้เมื่อกดเกิดข้อข้องใจสงสัยอะไรขึ้นมาแต่ว่าเขาก็หาคําตอบไม่ได้ทีนี้ถ้าสงสัยนี่มันจะไม่มั่นใจนะ อะไรก็ตามที่เราอย่างสงสัยอย่าสูญเสียความมั่นใจอ่ะพอสูญเสียความมั่นใจใจมันจะไม่สงบใจมันก็จะฟุงฟ้งฟุ้งนี่จะไปรับอะไรต่างๆเลยจะเกิดอาการหวาดสะดุ้งขึ้นมาเป็นธรรมชาติว่าถ้าเป็นอย่างนี้ก็เป็นอย่างนี้แหละไม่ร่วงพ้นความเป็นอย่างนี้ไปได้หรอกพระนั้นก็มาตรวจสอบพระองค์ ก็รับสังว่าส่วนเราหามีความสงสัยเครือบแครงเสพเสนาสนะอันสงัดที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวไม่เราไปผู้ข้ามพ้นความเครือบแครงสงสัยเสียแล้วก็แสดงว่าที่พิจารณาพระองค์เห็นอย่างนี้หมายความมาในขณะนั้นพระองค์ได้บรรลุสมบัตแปดแล้ว เราถ้ายัางไม่ได้รูปฌานสี่เนี่ยความสงสัยยังอยู่น ะ, ะความเครือบแคลงสงสัยเนี่ยยังอยู่ตรงนี้เป็นเขาเรียกว่าเป็นวิคัมพะณะปาหารคือละได้โดยการส ง, งบสยบเอาไว้ตัววิจารณ์เนี่ยมันเป็นตัวทำหนะ้าที่ขจัดความสงสัยได้วิจารณในองฌานนะคืขอขจัดความสงสัยได้เพราะวิจาร์มันเป็นปัญญาความสงสัยมันเป็นโมหะเราเทียบเทียมคนอื่นนะ พระงคก็หนึ่งในความเป็นผู้ประเสริฐหมายความว่าในช่วงตรงนั้นเพราะว่าคนเหล่านั้นนะก็คิดว่าตัวเองเป็นเป็นอริยะได้แก่ประการต่อไปก็คือยกตนข่มผู้อื่นนะเป็นอติมานะดูหมิ่นคนอื่นและจนถึงอยกตนข่มผู้อื่นเป็นกิเลสประเภท อุปเกเสที่ว่าไว้ในวันก่อนนก็สวจสอบโดยทำมองเดียวกันว่าถ้าคนที่ยกตนข่มคนอื่นแต่ว่าอยู่ในป่าในสุดมันจะเกิดความรู้สึกว่าคนที่เราดูหมิ่นเขาเนี่ยเขาดีกว่าเราอย่างพระราชกุมาลิจวีองค์หนึ่งท่านออกบวชเป็นพรกสุแล้วก็ไปอยู่ในป่า จเจริญกรรมาฐานดูใกล้เมืองนะฮะในทางบ้านในทางเมืองเนี่ยเขามีเสียงดนตรีประโคมขับร้องกันสนุกสนานเพลิดเพลินท่านก็ น, นึกว่าที่ท่านทิ้งมาในดีแต่พออยู่ป่าเปรี้ยวข้าวมันเกิดเปรี่ยวใจมันเปรี่ยวมันเกิดว่าเวดโดดเดียวเดียดได้มันคิดเทียบเคียงเออเรานี่ยมันโง่มันเหมือนไอ้คนเี่ทิ้งแล้ว เหมือนกัเศษขยะที่ถูกทอดทิ้งคน<า>อื่นก็สนุกสนานเพล่ดเพลิอนอยู่เราก็มาอยู่โดดเดี่ยวในป่าก็เกิดอาการขาดอาการกลัวอาการสะดุง้งัวคนอื่นจะดีจะเด่นจะประสบผลสำเร็จ ด, ดีกว่าตัวเองจิตใจก็หวั่นไหวประการต่อไปก็คือผู้หวาดหวัน่น ตรวจดูที่ตั ว, วหวาดวันอาการวาหวาดวันพนพึงโดยธรรมชาตินะเขาเรียกว่ามีชาติแห่งความเป็นคนขาดคือเขาขาดเป็นปกติเป็นสัญญาตยานคือกามกินนอนกลัวนะฮะมันเป็นสัญญาตยานกินนอนกลัวแต่ว่าเมื่แไก่ขาดโดยธรรมชาติวัราะนั่นจึงเน้นว่านิชาติแห่งความขาด คนเนี่ยเป็นคนขี้ตื่นกลัวเพราะอยู่ในป่ามันยังโดดเดี่ยวเดียวดามันเกิดกลัวก็สูวสอบดูพระองค์ว่าพ ร, พระองค์มีแม่เนี่ยพระองค์ไม่มีอ่ะก็เราจะเห็นว่าเจ้าชาจุติ ถ, ถะก่อนที่จะเป็นพระพุทธเจ้านะตามปกติแล้วจะไปไหนก็มีคนห้อมล้อมแม้แต่อยู่ในอุทยาน สบกณีในอุทยานที่พระเจ้าสุโธธนะสร้างกันไมันก็มีคนอารักขาอยู่ข้างนอกแต่ว่าตอนเสด็จไปป่ายอยู่ในป่ามันมีใครดูแลไม่มีใครป้องกันอารักขาพระองค์แต่พระองค์เป็นวีระคือกล้าหาญไม่ประวัติพลัน พ, นพึงไม่หวาดกลัวไม่สะดุ้ง ตรวจสอบดูตัวเองไม่มีเหตุให้เกิดสะดุ้งพระอกระรับสั่งว่าเราเห็นชัดซึ่งความปราศจากความหวาดกัวนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่าต่อไปก็ตรวจอีกตัวหนึ่งปราถนาลาบสักการะและความสันเสริญ อันนี้มีความชัดเดนนะฮะลาบสักการะความสันเถินต้องได้จากมือไม่จะได้จากป่าเพราะในป่ามันปราศจากลาบสักการะและความสันเสร็จ้็ตัวดูว่าคนที่หวั่นไหวในเรื่องเหล่าเนี้ยถ้าต้องการลาบส ก, การะความสันเถินแล้วตัวเองต้องมาอยู่ในป่าก็จะเกิดอาการหวาดสะดุ้งเสียดาย แล้วในที่สุดก็คิดที่จะย้อนกลับเข้าไปสู่ป่าท่านเล่าถึงพระสององค์เป็นเพื่อนกันคนหนึ่งบวชแล้วอยู่ในป่าคนหนึ่งบวชแล้วอยู่ในเมืองก็จะเร่รุ่งเรืองได้ลาบสักการะความสัรเรินก็คิดต้องการให้เพื่อน เข้ามาอยู่ด้วยไปต่างจังหวัดแล้วก็ไปชวนพวกน้นก็นุ่งผ้าผ้าคลองนะฮะนุ่งผ้าสมบงคลองหมจีวครคลองแล้วก็ผ้าสังกะสิพอเพื่อนชวนบอกว่าให้มาด้วยนะฮะให้เตรียมตัวท่านบอกพร้อมละมีท่านเนี่ยต่ก็ตื่นเต้นเลยก็แนะนำให้ให้อยู่ที่เนี่ยดีแล้ว เพราะอะไรเพราะจริงๆในแง่ความจริงเนี่ยลาบก็ดีสักการะก็ดีและความสรนเริญก็ดเีเป็นของนอกกายนะลาบกับสักการะเป็นวัตถุกรรมมีการเปื่หน้าผูพังแตกทําลายไปเป็นธรรมดาเพราะมันเป็นทุกข์สัตว์เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วกระดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลง เป็นที่ปรารถนาเป็นที่พอใจเป็นที่ยื้อยยางของสตัตว์ทั้งหลายยื้อแยางกันโยนบางบางกันนีนี่นเรียกว่าน่าเกลียดเพราะงั้นก็อยู่ที่ว่าถ้าใจของใครปรารถนาลาบสักการะชื่อเสียงและตัวเองไปอยู่ในป่าเนี้ยไม่ได้หรอกต้องตัดเลยตัดใจจากสิ่งเหล่านั้นปหนัหาเหล่านี้ที่จริง แล้วก็มีคนเป็นอันมากที่คิดนะแต่ว่าบางทีนี่ก็ทำไม่ได้เพราะว่ามีภารกิจการงานที่จะต้องทำเพื่อศาสนาแต่เราจะออกไปมันก็ต้องทิ้งสิ่งเหล่านี้แต่ในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยวันหนึ่งเราต้องทิ้งเพราะเราต้องตายมันก็อยู่ที่การคิดการตัดสินใจ ว่าถึงข่าวจะเลือกไหนจะเลือกทางไหนเพราะราบสการ่าชื่อเสียงจึงเป็นตัวเหนียวรัง้งเราจะลองไห้เราสังเกตุกิเลประเภทนี้มันเป็นกรเประเภทตัณหาตัณหาไม่มือก็อย่างเหนียวนะมันเหนียวรัง้งมันเป็นสายใหญ่ที่ยึดโยงมนุษย์ไว้ยึดมนุษย์ไว้กับราบสการ่าที่ชื่อเสียงถางเป็นสายไม่มันไม่เหนี่ย แต่มันโยงไม่ได้ให้โอ้ยหาอะไรถึงพวกลาบสักการะชื่อเสียงอยู่ไกลๆอาจจะไปต่างประเทศอาจจะไปที่โน้นที่นี้ที่นั้นใจนมันคว้าไปแล้วนะอุปอัตตันหาอุปาทานนะมันไปแล้วไปอยู่ถึงสหรัฐเมกาไปอยู่อังกฤษไปอยู่เยอรมันไปอยู่ที่ไหนก็ไปเรื่อคว้วาไปแล้วเพราะนั้นพเจ้าก็มาตรวจสอบพระองค์ ในสุดก็รับสังว่าลูกกรพรามเราเห็นชัดซึ่งความปรารถนาแต่ความปรารจาความบัตรรวนี้ในตนจิงอยู่ป่าเพราะว่าทรงเห็นชัดซึ่งความปรารถนาน้อยนี้ในตนคือไม่ต้องการลาบสักการะและชื่อเสียงเพราะโปรงทิ้งลาบสักการะและชื่อเสียง ราบสการาชชื่อเสียงในความเป็นพระเจ้าจากกักรพรรดิราชมีหมาสมุทรสาครทั้งสี่เป็นขอบเขตเด็กมันยิ่งใหญ่มาก ๆ, ๆเลยนะพระองค์ไม่พอประทยัยไม่ยินดีไม่กำนัดไม่เพลิดเพลินไม่สยบจิตในเรื่องเหล่านั้นมันก็ทิ้งมาแล้วอ่ะแต่ว่าถ้าถ้าถ้าจิตไม่ดีพอเนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับสมัยที่พระองค์เป็นกุลฐานบัณฑิตสละทร สินเงินทองต่างๆนาน า, นาชนิดมาเพื่อบวชเป็นดาบวบดแต่ใ น, นที่สุดมันติดอยู่ที่จอบเพี้ยนอันหนึ่งนะผ้านุ่งชุดหนึ่งแล้วก็พันเข้าวฟ่างกับลูกเรือห่อหนึ่งติดอยู่ตั้งเป็นีหตุ่ต้องบวชบวชสึกสึบวชบวดีทั้งเจ็ดครั้งเห็นไหมว่าใจมันเหนียวเหนียวรั้งเอาไว้ถูกอันนี้เหนียวรั้งเอาไว้ชุดเอาไว้ ถึงจุดหนึ่งแล้วก็กระตกจิตกลับไปไปขุดดินนะฮะไปปลูกข้าวฟ่างลูกเด้อยพอสุกก็เก็บเกี่ยวเก็บพัน์เอาไว้เอาผ้ามามัดไว้วางไว้ในที่หนึ่งออกบวชเป็นลาบทวชเอาพอถึงแล้วดูคิดอีกเรื่องนิดเดียวยังเดียวรังไม่ได้ขนาดนะั้นประการต่อไปก็มาดูที่ความเกียดคร้าน ความเกลียดคร้านบางทีเรียกว่าโกสัจฉะบางทีเรียกว่ามหาโกสัจฉะคือเกลียดคร้านอย่างขนาดใหญ่อ้างวัดหนาวนักร้อนนักหิวนักเศร้านักเย็นแล้วอย่างอะไรล่ะปวดหัวปวดท้องสารพัดนะเรื่องนี้มันอ้างได้เยอะไม่ว่างปิธุระอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จบลงในการที่ไปทํา ง, งาน ความเพียรก็หยอดสงสัยกันว่ามีความเพียรเร็วสามคือความเพียรมาย่อหยอดทำทหยุดดุดทำทหยุดหุดขาดความต่อเนื่องแบบกระต่ายกระต่าเตามีความต่อเนื่องทงั้งทั้งที่ช้าแต่ว่ามันนะม่นคงหนักแน่นมั่นคงกระต่ายเร็วแต่ว่าไม่ต่อเนื่องหลับหลับตื่น ผลตัวท้ายก็แพ้ผล พ, พระองค์ตรวจสอบดูเทียบเคียงกับคนอื่นที่วาดสะดุง้งกับที่ไม่วาดสะดุง้งในสุดพระองค์ก็ทรงมองเห็นว่าเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ปรารจกความเพียรในตนคือพระพุทธเจ้าเนี่ยขยันสุดๆนะสุดๆของคนที่ขยันมันไม่มีขยันเท่า ถ้าเรานับวันเวลาที่ส่งงานอยู่ตลอดห้าสิบเอ็ดปีนี่ร่างกายในยเรียกว่าสุดส ม, ม น, นะฮะ้ตนตอนพระพันษาแปดสิบเนี่ยอย่าลืมพระนนแปดสิบด้วยนะเกิดวันเดียวเดือเดีย ว, เ, ยวเวลาเดียวกันกับพระพุทธเจ้าแต่นำทำไมพระนนท่านแข็งแรงท่านอยู่ได้อีกตั้งสี่สิบปี พุทเจ้าพระไทยเข้มแข็งนะฮะแต่ว่าร่างกายเนี่ยสุดโมเพราะว่าทรงใช้มากเกินไปตอนปรองพจน์มยุสังขารรับสังกรราโนนว่าตอนนี้ร่างกายราถาคตในแก่งอมเพราะความชรามันก็เหมือนกับเกวียนที่ซ่อมแซมโดยไม่ไผ่ไม่ใช่เกวียนที่จะบรรทุกทัพพสัมภาร a ที่หนักๆได้แล้ว ก็ในขณะเดียวกันพระนุนท่านก็รุ่นเดียวกันแต่ท่านยังแข็งแรงทแต่ยังอุปถากหรือบาดจีวรของพระพุทธเจ้านะไปในสถานที่ต่างๆทั้งของตัวท่านเองและของพระพุทธเจ้านะท่านไปได้พระพระนุนงานท่านไม่หนักไม่หนักมันตั้งแต่ต้นๆเนี่ยแต่ของพระเจ้าที่หนักเกินกําลังคือร่างกายเนี่ยเป็นโลกียะนะฮะจะโลกุตระร่างกายมันเป็นธาตุเป็นน้าลมไฟอากาศ แต่งานมากมันก็สุดพระองค์ก็ตรวจสอบดูพระองค์เรียบร้อยแล้วก็ไม่เห็นจุดอ่อนที่จะต้องหวาดสะดุง้งผลพองเสียงกล้าวจึงรับสั่งกับจารุสุนีพราหม์โครงสร้างความคิดเหมือนเดิมนะฮะว่ามันได้โครงสร้างเดียวกันก็รับสั่งว่าลูกกรนพรามเราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้ประรคความเพียร น, นี้ในตน ถึงซึ่งความเป็นผู้มีผลเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่อาอรัฐวิริโยวิหารติอยู่ด้วยการปรารกความเพียรวิริยังอารพปิมีความริเริ่มจิตตังประการหติประคองจิตเอาไว้แล้วก็พยายามไปจนกว่าอารัฐวิริโยนะฮะอยู่ด้วยความเพียร ในข้อต่อไปก็ไปมองที่ตัวสติสัมโมสาคือหลงลืมเพราะสติเพราะขาดสติระลึกไม่ได้ระลึกไม่ทันนึกไม่ได้ขาดไปใ น, นช่วงใดช่วงห น, นึ่งผลสติสัมโมสาเนี่ยมันเป็นตัวปฏิบักษ์ต่อสติมาคือความมีสติปฏิสัมโมสามันก็เกิดการหลงลืมเลื่อน เ, อเรือนเพลเร่พลั้งพลาด เมื่อรลอยต่างๆเนี่ยเป็นปัญหาใหญ่ในเรื่องสติเนี่ยเคยสังเกตว่าทุกคนน่ะพอแก่แล้วในมันชักยุ่งสติมันชักยุ่งมันลืมง่ายที่ลืมคนลืมอะไรต่ไรเมื่อเช้ากินข้าวกับอะไรอย่างลืมเลยนั่นคือสติส ม, มุรสามันหลงลืมมันเลอะเลือนเพราะขาดสติ เมื่อคนที่สติวิปุละเนี่ยสติวิปุโลสุบูริสติเนี่ยมีเฉพาะพระอรหันเท่านั้นเองแล้วขาสัมปชัญญะสัมปชัญญะแปลว่าความรู้ตัวทั่วพร้อมคือสามารถจําแนกแยกแยะได้ชัดเจนในแต่ละขณะอะไรเป็นประโยชน์ไม่เป็นประโยชน์เขเรียกสัตตกะสัมปชัญญะแยกได้ในขณะเลยกลิ่นได้กลิ่นมานี่แยกได้ว่ามีมีคุณหรือมีโทษกลิ่นอะไรมีคุณมีโทษอย่างไงเห็นมีคุณมีโทษอย่างไงได้ยินมีคุณมีโทษอย่างไร นะกินมีคุณมีโทษอย่างไงมันแยกแยะได้เดี๋ยวโครจรสัมมัญญะนี้มีความฉลาดรอบรู้ในสถานที่ควรไปไม่ควรไปมีความละเ ม, ะมียมมดระวังเรื่ังว่าพระนี่ไปในที่บางแห่งนี่เสียเรื่องเลยนะเสียพระเลยนะสุภาพสตรีไปในที่บางแห่งนี่เสียความเป็นสุภาพสตรีเลยสุภาพบุรุษไปในที่บางแห่งนี่เสียสุภาพบุรุษ เราก็จ ะ, จะเรียกฉลาดในโคจรในสถาน ท, ที่ที่ต้องเลือกเฟ้นต้องคัดสรรว่าควรไปหรือไม่ควรไปแยกแยะได้ชัดเจนแล้วก็ส ป, ปายะสัมมชัญญะรู้อะไรให้ความสบายแก่ต้นหรือไม่ความสบายแก่ต้นอาหารจช่นไให้ความสบายไม่ให้ความสบายอากาศเช่นไรให้ความมาสบายไม่สบาย บุคคลเช่นไรให้ความสบายไมนสบายธรรมะเช่นไรให้ความสบายไมนสบายก็ศึกษาในรายละเอียดมีความรารู้ในเรื่องเหล่ น, นั้นจนปัญญาเนี่ยมันโชดช่วงคือไม่หลงเพราะได้อาศัมภูริสัมพันญนะ์ะไม่หลงไม่ว่ามันจะมีการพลิกแปลงอะไรแต่ไรก็ตามก็จะรู้ท่าทันใ น, นความจริงทีนี้ก็ตรวจสอบดู พระปฐัยพระโภคเป็นยังไงก็ในสุดรับสั่งในช่วงสุดท้ายนี่ว่าดุก่อนพราหม์เราเห็นชัดซึ่งความเป็นผู้มีสติตั้งมั่นนี้ในตนจึงถึงความเป็นผู้มีขนเรียบโดยยิ่งเพื่ออยู่ในป่าประการต่อไปก็มาตรวจสอบถึงจิตที่ไม่ตั้งมั่นและจิตที่หมุนไปผิดหมายความว่าจิตที่สูญเสียความเป็นสมาธิ บอกแวกซัด ส, สายสับสนเลื่อนลอยก็แล้วแต่โดยแรงอะไรล่ะคือหมายความว่าจิตที่ตกอยู่ในวอน<ม>นิวรณ์ทุกข้อนั่นแหละเป็นจิตที่ตั้งไม่ตั้งมัน่นเพียงแต่ว่ามันอยู่ในเรื่องอะไรแล้วก็ใช้คำว่ามีจิตไม่ตั้งมัน่นมีจิตหมุนไปผิดเป็นเหี่ยวนึกไปตรึกนึกถึงอารมณ์ที่ผิดแทนที่กิเลส จ, จะส ง, งบกิเลสมันเกิดเพิ่มขึ้น ทีนี้ถ้อยู่ในป่าเนี่ยจิตเป็นอย่างนั้นจะยากคือในป่าเนี่มีคุณอั น, นันต์แต่ก็มีโทษมหังมันปัญหาเรื่องจิตที่พร้อมจะอยู่ในป่าเดี๋ยวนี้มีพระเป็นจํานวน ม, มากที่น่าชื่นชมท่านท่านถือโอกาสใช้โอกาสช่วงหนึ่งจังหวะหนึ่งหนึ่งเดือนสิบห้าวันสองเดือนดิกเร้นเข้าไปอยู่ในป่า เดินจะลิกทุดงไปในสถานที่ต่างๆแต่ว่าการทำอย่างนี้ก็ต้องหนุ่มหน่อยนะฮะสุขภาพพลรรานามัยดีหน่อยแต่สุขภาพไม่ดีอยู่มากเนี่ยคงจะไม่ไหวเหมือนกันแต่ถ้าอยู่ในป่ายิ่งดีจะทำยังไงว่ามันสงัดเงียบจากเสียงรบกวนเป็นปัจจัยกื่งกูในจิตมันตั้งมัน่น ไม่หมุนไปผิดทีนี้พอตรวจสอบก็รับสั่งว่าลูกกรรพรามเราเห็นชัดซึ่งความถึงพร้อมด้วยสมาธินี้ในตนแต่อย่างที่บอกว่าก็แสดงเหตุการณ์เนี้ยมันมั น, ม, นมันทำให้เรามองได้ว่าเป็นเหตุการณ์ที่ตอนพระองค์เลิกทุ ก, กรกิริยาหรือมาอย่างนั้นก็ตอนที่ อยู่ในสานักอาลาดาบทการามโคดุทกะดาบทรามูดมันมีอยู่สองตอนแต่ตอนมันเป็นทุกข์กริยาไม่เป็นอย่างนี้หรอกเพราะว่าเป็นทรมานที่พระวรากายโดยวิธีการต่างๆในข้อสุดท้ายรับสั่งนะฮะตบทวนโครงสร้างเดิมนะว่าทุกข้อในโครงสร้างจะเป็นอย่างนี้ รับสังว่าลูกกรพราหมณ์เหล่านั้นได้มีความดำริดังนี้ว่าสมณะหรือพราหมณ์เหล่าใดเหล่าหนึง่งมีปัญญาสามเป็นบ้าขณะเป็นใบหรือว่ า, าหรือว่าปัญญาสามปัญญาน้อยปัญญาอ่อนนะพวกนี้ย่อมเสพเสนาสะนะอันส ง, งัดเป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวสต่มพราหมณ์ผู้เจริญเหล่านั้นย่อมเรียกร้องความกลัวความขาดอันเป็นอกุศลเพราะโทษของตนเพราะอะไรเพราะตน ปัญญาสามคือโง่วิจิตรใอะไรไม่ได้ตัดสินใจอะไรไม่ได้ควบคุมทิศทางของจิตไม่ได้จนถึงก็เป็นใบคือความเป็นผู้มีปัญญาสามแล้วก็ความเป็นบใบเป็นเหตุทีนี้มาวิเคราะห์ทิเบตองส่วนเราหามีปัญญาสามเป็นบ้าเสพเสนาสะนะอันสงัดที่เป็นป่าและเป็นป่าเปลี่ยวไม่เราเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยปัญญา พระญาติเราใดถึงพร้อมด้วยปัญญาเสพเส น, สนาสนะอันสังขงที่เป็นป่าและป่าเปลี่ยวบรรดาพระญาเหล่านั้นพระองค์ก็หนึ่งหนึ่งในความเป็นพระอริยะโดยสรุปว่ามันเป็นเป็นรับสั่งตามความเชื่อถือของคนในยุคนั้นเพ ร, ะราะอะไรเพราะว่าจิตระดับ ระดับสมาธิเนี่ยจิตระดับฌานเนี่ยรูปฌานนะรูปฌานเนี่ยมันมันไม่หวั่นสะดุ้งอ่ะนั่นไม่ไม่หวั่นไหวแล้วเพราะฉะนั้นท่านเหล่านี้ก็จะอยู่ในป่าเป็นปกติธรรมชาติของท่านก็สรุปว่าเหตุให้กลัวทั้งหลายเนี่ยมันก็คือเรื่องทุกขสมมุทัยตัวจริงๆคือตัวสมมุทัยเราดูง่ายๆนะว่าคนทุจริตเนี่ย คนฆ่าคนคนลักทรัพย์คนล่วงละเมิดในทางเพศคนโกหกหลอกลวงต้มตุนทั้งหลายคนพกยาเสพายาเสพติดเสพยาเสพติดติดยาเสพติดตำนา ย, ยาเสพติดเนี่ยไม่ปกติท่านนะฮะใจจะไม่สงบจะหวาดกลัวจะสะดุง้งจะวิตกกังวลคือมายังนึกนะฮะว่าที่เราฟังคือคือพระเนี่เป็นที่ไว้ใจของคนนะฮะ ความลับเยอะนะฮะที่จริงที่เอามา ร, รู้เนี่ยความลับในสังคมนี่เยอะเลยคนมาล่ากันฟังแคๆเขาอยากระบายอ่ะแต่เขาไม่กล้าจะระบายที่จริงอย่างบาดหลวงเนี่ยบาดหลวงเนี่ยเราจะเห็นว่าคนสารภาพบาปเขาเยอะเพราะงั้นเขามีข้อมูลยเยอะแต่ว่าเป็นข้อมูลท่าแดงเขาไว้เนื้อเชื่อใจพอเรารับแล้วก็เขาเรียกว่าเหยียบเฉยเลยคือคือไม่เอามาพูด คือยังนึกว่าโลกนี้นะถ้าใครมีทิปจกักรสุทิปสนะูตหูทิปตาทิปรู้เห็นเหการต่างๆนะโอ้ท่านจะเกิดธรรมสังเวชตลอดสงสารสัตว์เหล่านั้นสงสารสัตว์ล่านั้นต์โถ่ประมาทจังอี่วันแล้วเธอจะตายตายแล้วเธอจะไปที่ไหนทรงใช้คำว่านรกเปรียบเหมือนเรือนของตนเองไง อบายเนี่ยเปรียบเหมือนเรือนของนตนเองที่รอรับคนเหล่านี้อยู่ตายไปแล้วก็ไปสู่สถานที่เหล่านั้นมันเพิ่มความวาดความสะดุ้งความเจ็บปวดรวดร้าวความทุกข์ทรมานมากยิ่งขึ้นาะเหตุเหล่านี้จึงจริงจร ง, จ ง, จงชัดเจนในตัวของมันนะะแต่ละข้อเนี่ยแล้วไม่ต้องรอชาติหน้าด้วย ว่าจะเป็นภัยเป็นอันตรายสร้างความทุกข์ทรมานความเดือดร้อนความมิตกกังวลให้เกิดขึ้นแก่บุคคลเหล่านั้นไม่เกี่ยวกับศาสนาอะไรด้วยเกี่ยวสิ่งมีชีวิต ท, ทั้งหลายเนี่ยที่มีความบกพร่องทางศีลธรรมคนเหล่านี้จะอยู่ในที่ต่างๆ ด้วยความหวาดด้วยความสะดุง้งด้วยความหวั่นไหวด้วยความวิตกกังวลด้วยความกลัวทั้งนั้นเพราะจันนันรพระพุทธเจ้าจึงส่งสอนให้มองโทษของกิเลสและก็เปลียนพยายามลดละบางทีรับสั่งง่ายๆว่าวะละเหตุแห่งทุกข์ได้เป็นสุขในที่ทั้งปวดเหตุแห่งทุกข์ก็คือสัปปรพกิเลสทั้งหลาย ถ้าเราละสัพพิเกเททางหลายได้เนี่ยเพแท่งทุกมันไม่มีก็ชื่อว่าเป็นความสุขในที่ทั้งปวกทั้งฝั่งทั้งหลายเสียงธรรมจากมหาวิทยาลัยศรีปฐุมในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูรณนธรรมจงมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายดูทั่วกันสวัสดี